ธ ร, รมะเก็บตกเหมือนเช่นเคยทุกปีวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกลามาสูตรแต่ก่อนที่จะเราพูดถึงกาลามาสูตรจะขอพูดถึงพระชาองค์หนึ่งทึ่เป็นวิชานิ ธ, ธิคือพระเจ้าปยาสิเจ้าเมืองเสตัะยะเมืองขึ้นของแฟนโกศลเรื่องนี้เกิดสมัยหลังพุทธกาลชักระยะหนึ่งพระเจ้าปยาสิ เป็นผู้มีความเห็นผิดจากธรรมนองคองธรรมมีความเชื่อว่าบาปบุญไม่มีชาติก่อนชาติหน้าไม่มีโลกสวรรค์ไม่มีโดยพระองค์เนี่ยได้ ท, ทําการทดลองทุกรูปแบบเพื่อ ส, ส่งเสริความเชื่อให้เป็นรูปธรร ม, มพวกพระหรือสามนาภาพรรมต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถโต้แยง้งหรือหักล้างความคิดของท่านได้เลยเพราะท่านเป็นผู้ที่พูดเก่งมีหลักมีเกณฑ์ ทการโตวาทัดอยู่ชนะทุกครั้งจนทำให้ท่านเนี่ยลำพองชื่อว่าฝามคิดของท่านถูกต้องจนทราบถึงพระกุมารกัสปะซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระซึ่งมีปัญญามากจึงได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพระเจ้าปยสิผูพ้พูดจะใช้คำตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนะพระกุมารกัสปะเรียกพระเจ้าปยาสิว่ามหาปพิธ ส่วนพระเจ้าปัยอสิเรียกพระกุมารกสปะอาระกุญเจ้าเรียกตัวเองว่าโยมเพื่อเป็นการง่ายในการสื่อสารเพราะว่าจะมีบทสนทนามากพระกุมารกสปะถามว่าเพราะเหตุใดมหาพิึงมีความเชื่อว่าบุญบาปไม่มีสวรรคโลกไม่มีโยมได้ทดลองอยู่หลายครั้งจนแน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีทดลองอย่างไรโยมเคยบอกให้คนที่ทาชั่วที่สุดที่ ดูแลร่องตกตะลกได้แน่คือเป็นคนทุ่ศีินเนี่ยโดยสั่งว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยถ้าตกตะลกให้กลับมาบอกเขาก็รับปากแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่กลับมาบอกทันทีแสดงว่าเขาไม่ตกตะลกจริงมาพ่อพิศสมมุติว่านักโทษเด็ดขาดหรือนักทษประหารเขาขอให้ปล่อยให้ไปสั่งเสียลูกเมียซะก่อนแล้วเขาจะกลับมาให้ประหารจะได้ไหมโอ้ไม่ได้ท่านขุนเจ้านักโทษเด็ดขาด ไม่ได้รับอิสรภาพขนาดนั้นถ้าปล่อยเขาจะหนีไปเสียทางการจึงแม่อนุญาตมหาวิทาลัยเช่นเดียวกันนักโทษเด็กขาดไม่ได้รับอนุญาตแม้เพียงชั่วคราวสัตว์ตายไปเกิดในนรกก็ไม่มีอิสรภาพจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ถึงแม้เขาจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพระองค์เขาก็ไม่สามารถมะบอกได้พระอุตรเจ้าเรื่องนี้พอกฟังขึ้นจตโยมก็สั่งให้คนที่มีศีลที่เป็นคนดีตายแล้วต้องไปเกิด บนสวรรค์นแน่นอนสั่งให้เขาว่าบอกแต่เขาก็ไม่มาบอกและอย่างเขาก็อิสระไม่ได้ถูกกักกันอะไรทำไมจึงไม่มาบอกเล่าหมาว่าพิษมีอยู่สองเหตุผลประการที่หนึ่งวันเวลาของมนุษย์และเทวดานั้นต่าง ก, กันมากหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์ถึงแม้คนนั้นจะไม่ลืมสัญญาแต่กว่าจะกลับมาบอกหมาวิพิก็คง เปเท่าถ่ายไปนานแล้วอีกประการหนึ่งผู้ที่เกิดเป็นเทวานาแล้วย่อมไม่ปาถนากลับมายังโลกมนุษย์อีกเพราะโลกมนุษย์ด้านังเกียร์เหมือนคนตกหลุมซ้วมพอคนช่วยขึ้นมาอาบน้ําชำระกายสะอาดปากผมด้วยน้ําหอมอย่างดีแล้วใช้เขาก็โดดลงไปในหลุ ม, ลมขี้อีกเขาคงไม่ทําพระขุนเจ้าโยมยังไม่เชื่ออยู่ดีที่ว่าคนเราตายไปแล้วจะไปเกิดใหม่โยมก็ทดลองแล้วไม่เห็น ไปตามที่สมณพราหมณ์สอนกันเลยมหาภพิษทดลองอย่างไรพระคุณเจ้าโยมสั่งให้เอาโจนลงไปในหมอ้อใหญ่ๆทั้งเป็นปิดฝาแล้วหนังรัดให้แน่นเอาดินเหนียวฉาบให้มิชิดแล้วยกขึ้นเตาจุดไฟเผาเมื่อรู้ว่าตายแล้วก็ยกลงกระทะดินออกเปิดฝาค่อยๆแล้วคอยดูว่าจะมีวิญ ญ, ญาณออกมาทางไหน ก็เห็นมีอะไรออกไปจึงสรุปว่าโลกอื่นไม่มีแน่นอนมหาพิธเอาอย่างนี้ก็แล้ว ก, กันเวลามหาพิธปัรปนมหลับในตอนกลางวันมีนางกำนันเฝ้าอยู่พระองค์ทรงฝันกลางวันว่าไปเที่ยวป่าบ้างเที่ยวชมลมมณีสถานที่ต่างๆนางสนมที่นั่งเฝ้าอยู่เห็นวิญญาณของพระองค์ออกไปทางไหนไหมไม่เห็นท่านขุนเจ้ามหาพิธ นี่ขนาดยังทรงประชนอยู่อุญญาณจากล่างไปทางไหน น, น, นางกํำนันยังไม่เห็นเลยฉะไหนจะเห็นวิญญาณของคนตายแล้วเล่าพู้เจ้ายอยูยังทดลองอีกนะโดยสั่งให้ช่างกาหนักนักโทษประหารแล้วก็ประหารโดยการเอาเชือกรัดคอพอตายแล้วก็ช่างกาหนักอีกครั้งปรากฏว่าศพกับหนักกว่าตอนมีชีวิตอยู่อีกไหนว่าตายแล้ววิญญาณออกจากล่าง ทำไมจึงนักกร่าตอยมีชีวิตยอยู่เล่ามะพาพิษเหล็กที่เผาไฟที่ร้อนย่อมเบาวกว่าเหล็กเย็นเย็นฉันใดร่างกายคนที่มีจิตวิญญาณมีท่าสี่ดินน้ำลมไฟย่อมเบาวกว่าศพฉันนั้นพระคุณเจ้าโยมในทดลองอีกวิธีหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดจริงหรือไม่โดยสั่งให้นักโทษประหารโดยไม่ให้กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก เพื่อจะดูว่าวิญญาณออกจากร่างทางไหนเมื่อโจรตายก็ให้จับพลิกคว่าจับหงายให้นอนตะแคงจับค้อยหัวลงก็ไม่เห็นมนช่องทางไหนที่วิญญาณออกจากร่างไปที่แสดงว่าตายแล้วไม่ไปเกิดใหม่จริงพอไม่มีอะไรออกจากร่างไปเกิดใหม่มาหาบพพิษหรุดหนึ่งเป่าสังเสียงไพเราะชาวบ้านได้ยินก็บาลุมถามว่าเสียงอะไรชายหนุ่มบอกว่าเสียงสังชาวบ้าน ว่าเสียงออกมาจากทางไหนชายหนุ่มก็ตอบมาจากสังชาวบ้านจึงจับสังพิกไปพิกมาเพื่อสังเปล่งเสียงสังก็ไม่เปล่งเสียงอะไรฉันใดวิ ญ, ญญาณถ้ามาออกจากร่างจริงๆก็ไม่สามารถเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสฉันนั้นถึงแม้วิ ญ, ญญาณมันออกจากร่างจริงวิ ญ, ญญาณมันไม่มีรูปร่างมันจะมีล่องลอยแห่งการไปกันมาได้อย่างไรดูเสียงสังที่ออกจากสังก็รู้แต่ว่ามันออกไป แต่มันออกไปทางไหนย่อมบอกไม่ได้ฉันนั้นการยกเหตุผลมาชี้แจงนี้ เ, นเหตุผลที่พอฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนาสนตายเกิดแบบนี้พระเจ้าปายาศิยังไม่ยอมและก็ยังเชื่อว่าบุญบาปไม่มีนกสวรรค์ไม่มีชาติที่แล้วชาติหน้าไม่มีต่อไปโยมเคยสั่งให้ชำระร่างของโจทีลชิ้นทีลชิ้นอย่างละเอียดเพื่อดูว่าวิญญาณออกที่ไหนก็ไม่พบแปลว่าโลกอื่นไม่มีจริง ที่ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่ยม้อนไปไม่ได้อาตมาจะยกเรื่องลราให้ฟังสักเรื่องหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่งเป็นผู้นับถือการบูชาไฟในป่ามีลูกศิษย์เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งวันหนึ่งฤาษีจะไปทุระข้างนอกอาสมจึงสั่งลูกศิษย์ให้ดูแลไฟอย่างดีอย่าให้ดับถ้าดับก็ให้ก่อขึ้นมาใหม่หลังจากฤาษีไปได้ไม่นานลูกศิษย์โม่จะเล่นเพลิน ไฟก็ดับเด็กน้อยจึงเอาไม้สีไฟสองอันมาสีกันสีอย่างไรก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นวันก่อนเห็นพ่อระสีเอาไม้สีไฟกันทําไมไฟมันจึงมีวันนี้ทําไมไม่มีเด็กคิดแล้วจึงเอามีดมาผ่าไม้สีไฟออกเป็นสองซี่สามซี่สี่ซี่จนกระทั่งสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ไม่มีไฟจึงเอามาโขกกับคก ดำจนละเอียดตะปอยลงดินก็ไม่มีไฟเกิดขึ้นเด็กจึงก่อไฟไม่ได้คันฤสีกลับมาเมื่อเห็นเข้าก็ตำหนิลูกศิษย์ว่าเป็นเด็กโง่ไม่รู้จักหาวิธีหาไฟที่ถูกต้องะสาธิตนำไม้สีไฟมาก่อให้ดูฉันใดก็ดีการที่มหาปพิธหาวิญญาณเพื่อพิสูจน์โลกหน้าเท่าที่ทามานี้มันผิดวิธี สแสวงหาอย่างไรก็ไม่มีทางทราบข้อที่จริงเพราะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วผิดมาแต่เมื่อใดก็ผิดมาแต่แรกเริ่มที่คิดว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณมันออกจากร่างไปเกิดใหม่ผิดตั้งแต่เข้าใจว่าวิญญาณเป็นสิ่งกายสิทธิ์ที่เป็นอมตะสิงอยู่ในร่างกายเมื่อร่างกายแตกดับก็ออกจากร่างไปหาที่เกิดใหม่เมื่อเดินออกจากบ้านถูกไฟไหมฉะนั้น ความเชื่ออย่างนี้ผิดเมื่อเชื่อผิดเวลาพิสูจน์มันก็ผิดเมื่อพิสูจน์ผิดวิธีคําตอบที่ได้ก็ย่อมผิดเดียวกับที่มหาปพิธกระทํามาพระกุมารกัษบรได้ชี้แจงให้พระเจ้าปรยายศีงเข้าใจว่าความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรและให้ละความเห็นผิดแต่เก่าก่อนเสียพระเจ้าปรยายีก็เห็นด้วยที่จะสลัดทิฏฐิดั้งเดิม และหันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่ติดตรงที่พระองค์เป็นคนดังในวงสังคมจะเกิดความขัดข้องและเอ่ยขึ้นว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลและพระราชแหวนอื่นก็ทรงทราบว่าโยมมีความเห็นดังกก่าวมาคันจะสละความเห็นนั้นเสียก็จะถูกตำหนิิีตีนว่าไม่มีจุดยืนพระกุมารกษ บ, บจะอุโมมาให้ฟังสี่ข้อดังนี้เ้อที่หนึ่ง มีกองเพียสองกองกองละประมาณห้าร้อยเล่มเกวียนออกเดินทางผ่านที่กันดานพวกที่ไปก่อนได้รับคําบอกเล่าจากคนที่สวนมาว่าข้างหน้ามีน้ําและหญ้าบริบูรณ์หัวหน้ากองจึงสั่งให้ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำเพื่อจะ้เดินทางสะดวกแต่หลังจากเดินทางไปแล้วก็ไม่พบน้ําและหญ้าเจอแต่ความแห้งแลง้งทุลักันดานพวกวัว เขทนไม่ไหวถึงล้มตายพวกคณะที่เดินทาง ก, ก็ก็ล้มตายเหมือนกันเพราะขาดอาหารส่วนหัวหน้ากองเรือสองก็เจอชายคนที่มาบอกว่ามีน้ำมีหญ้าบริบูรณ์เช่นกันแต่ไม่เชื่อและไม่ทิ้งหญ้าและน้ำจึงสามารถเดินทางไปที่หมายได้โดยปลอดภัยเรือที่สองชายเรียงหมู่คนหนึ่ง ได้ห่อเอาขี้หมูแห้งเพราะคิดว่าเป็นอาหารหมูแล้วนํำมาเทินไว้บนศีรษะคนอินเดียและชอบเอาของเธอไว้บนหัวเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็เกิดฝนตกอย่างหนักทําให้ขี้หมูละลายไหลย้อยลงบนร่างกายของคนนั้นเหม็นเป็นเห ม, ม็นไม่หมดผู้คนผ่านมาก็ก็คิดว่าขอายเอ็นี้บ้าแบกขี้หมูชานี้ก็เถียงว่านี่อาหารหมูไม่ใช่ขี้หมูเรื่องที่สาม มีนักเลงส ก, กาสองคนคนหนึ่งเล่นใบเห็นว่าจะแพ้ชื่ออมส ก, กาที่เป็นสาเหตุได้แพ้เสียและทำกี่ตลอดจนคนที่เล่นด้วยจับไตได้จึงแกล้งเอายาพิษถาไว้ที่ส ก, กาผู้ชายคนนี้อมส ก, กาก็เลยโดรยาพิษตายมาเรื่องที่สี่ชายสองคนเดินทางไกลด้วยกันผ่านไปก็พบกับ ป่านกองใหญ่จึงนำป่านมามัดติดตัวไว้เพื่อขนกลับบ้านแต่พอเดินทางมาได้สักพักหนึงก็ไปเจอผ้าที่ถอยจากป่านชายคนแรกก็ทิ้งป่านลงแล้วก็เอาผ้าที่ถอยจากป่านแทนแล้วก็ชวนเพื่อนบอทิ้งทิ้งเพราะว่ามันมีราคาแพงกว่าป่านชายคนที่สองไม่เชื่อ เภาษาห่ออย่างดีและไม่ยอมทิ้งเอกคันเดินทางต่อไปก็ไปเจอผ้าฝ้าก็เหมือนเดิมชายคนแรกก็ทิ้งผ้าถอจากป่านเอาผ้าฝ้าแทนชายคนที่สองไม่ยอมทิ้งว่าอ้างว่าตัวเองอ่ะห่อป่านไปอย่างดีแล้วไม่เต็มใจที่จะทิ้งเดินทางต่อไปก็เจอเหล็กก็เหมือนเดิมชายคนแรกก็ทิ้ง เอาเหล็กชายคนที่สองก็เหมือนเดิมแหละหอบป่านไปจนเจอดีบุกเจอตะกัวเจอเงินแล้วก็เจอทองชายคนแรกขนทอกลับบ้านส่วนชายคนที่สองเนี่ยก็จะหอบผ้าป่านชายคนที่สองก็หอบป่านเหมือนเดิ ม, มพอมายอมทิ้งคัดถึงบ้านข้าพูดว่าตำหนิตีเตียนว่าชายคนนี้โง่ต่างกับคนที่เอาทองกับบินตะโกนสารเสื่อทักกูบาลกัศบ่ายกคึ้นมเล่ากล่าวต่อว่า มาโมพีก็เช่นเดียวกับโคทั้งสี่นั่นแหละไม่รูร้จักทิ้งความเห็นที่ผิดเป็นโทษความเห็นผิดที่สร้างควาเดือดร้อนแก่พระองค์เองและคนอื่นยึดถือความเห็นที่ทมีประโยชน์ควรยึดถือความเห็นที่ถูกที่มีประโยชน์จนในที่สุดพระเจ้าไบสิก็ยอมประกาศตนเป็นอุบาศกถือพระรัตนใจเป็นสานะตลอดชีวิตด้วยอุบาอุบไมยและปัญญาของพระกุมารกัส ป, ปะ เราได้ฟังเรื่องของพระกุมารกัสปะกับพระราชาผู้หลงผิดคือพระเจ้าปยาสิจบลงแล้วเรื่องไร้แง่งคิดว่าการเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อาบาบุญไม่มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนไม่มีรกศรไม่มีเนี่ยเป็นอันตรายกับตัวเองและกับคนอื่นยิ่งถ้าเป็นพระราชามีความเห็นแบบนี้ด้วยแล้วถ้ารัษฎรหลงเชื่อตามแบบพระราชาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น เพราะการเชื่อแบบนี้จะทำให้คนเป็นมิจฉาทิถีแบบเห็นกันตัวมองว่าชาติที่แล้วก็มีชาติหน้าก็ไม่มีบุญบาปไม่มีโลกสวรรค์ไม่โลกสวรรค์ไม่มีเนี่ยก็จะทําความชั่วได้ง่ายหาประโยชน์ส่วนตัวในชาตินี้ถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นพวกวัตถุนิยมแหละแต่บริการเอาลัทเราเปรียบหาผลประโยชน์ใส่ตัวไว้ก่อนเป็นอันตรายต่อสังคมมากเลยต่างกับคนที่เชื่อบุญบาปเชื่อนลกสวรรค์เชื่อมรคนิพพานมีจริง เร า, าคุยเรื่องกลามาสูตรต่อกลามาสูตรสิบข้อเนี่ยก็มีแง่คิดสอนใจเรามากเลยอย่างเช่นข้อแรกอย่าปงใจเชื่อด้วยฟังตามกันมาบางทีการที่คนอื่นฟังต่อๆกันเนี่ยอาจจะผิดได้ไม่น่าเชื่อถือเพราะมีการเติมแต่งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะเชื่อมาข้อที่สองอย่าปงใจเชื่อด้วยการถือสืบสบกันมา ความเชื่อเรื่องนี้ถ้าใครหลงผิดเนี่ยไปนับถือผีหรืออื่นๆพิธีตองที่ผิดแล้วทําต่อๆกันมาเนี่ยก็ส่งผลเสียได้ไม่เกิดประโยชน์ตนเองแลาไม่เกิดประโยชน์กับกับผู้อื่นด้วยอัลโหลีตองใครขวรัพิจารณาดีๆการถือสืบต่อกันมาเนี่ยก็เชื่อถือไม่ได้บางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์มาข้อที่สามอย่าปงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือการเล่าลือนี่ก็เชื่อไปได้เพราะมีการเติมแต่งเกิดความเป็นจริงอาจทาให้ผิดเพีย้ยนถ้าเราจะเชื่อแล้วเอาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะเชื่อเลยไม่ได้มาค้อสี่อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตําราหรือคมภีร์ตําราหรือคมภีร์เนี่ยเป็นของดีแต่เพอเอิญคนเขียนนี่ยเป็นผุุ้ชนหรือมีความหลงผิด ก็จะเอาสีที่วงชอบเนี่ยมาเติมแต่งใส่ลงไปถ้าคนอ่านไม่ใช้วิจารณเนี่ยเชื่อก็จะทําทให้ผิดได้เป็นความรู้ที่ผิดนั่นก่อนจะเชื่อตาําราก็ต้องใช้วิทยารณ์อย่าเชื่อโดยง่ายๆมาข้อที่ห้าอย่าเชื่อข้อที่ห้าอย่าปลงใจเชื่อเพราะตะ ก, กะ การหรือการตึกตองนึกคิดเนี่ยบางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้หรอกต้องพิจายดีๆ ด, ด้วยข้อที่หกอย่าปงใจเชื่อเพราะการนุมาณการนุมา น, ารมานหรือการคาคะเนเนี่ยบางครั้งอาจจะผิดได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้เชื่อถืออะไรยังไม่ได้มาข้อที่เจ็ดอย่าอย่าปงใจเชื่อโดยการคิดตามแนวเหตุผล บางครั้งเหตุผลของเราอญญาจจะผิดก็ได้ตัวพา่นาดูให้ดีๆไม่ใช่ต้องถูกเสมอไปข้อที่แปดอย่าปงใจเชื่อพอเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วทฤษฎีทฤษฎีคือการคิดเห็นเป็นคว า, ามรู้บางครั้งเราก็เชื่อไปได้อย่างเราชอบสิ่งไหนเนี่ยถ้ามีคนมาพูดในสิ่งเราชอบเนี่ยหรือมีคว า, ามเห็นตรงกับที่เราคิดไว้อ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไป ต้องพิจารณาให้ดีๆ้มาคอที่ก้าอย่าปงใจเชื่อพอมองเห็นลักษณะ น, น่าจะเป็นไปได้ลักษณะ น, น่าจะเป็นไปได้ก็คือการที่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนเรียบร้อยสำรวมพูดจาไพเราะดูภายนอกอาจจะเป็นคนดีแต่ข้างในจิตใจอาจจะเป็นคนที่โหดร้ายฆ่าคนได้แบบไม่กระพิบพตาก็ได้หรือพวกสมณพามที่เรียบร้อยนั่งสมาธิได้ทิงหลายชั่วโมง แบบไม่ขยับหรือกริยาสำรวมเดินเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นภาระบุคคลอาจจะเขาฝึกมาดีทำให้ทให้เราเนี่ยดูแล้วน่าเชื่อถือเรื่มใสเกิดความเรื่มใสขึ้นมาให้เรารัอพิจารณาดีๆให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อข้อที่สิบอย่าปงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราคนนี้ก็สร้างปัญหาให้คนทั่วไปเยอะเลยเพราะว่าประนับถือ อาจารย์ท่านใดเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเชื่อทันทีบางทีอาจารย์สอนผิดเราก็รับข้อปฏิบัติที่ผิ ด, ผดมานอกจากไม่หลุดพ้นแล้วกับยึดมั่นถือมั่นมากกว่าเดิมก็มีพรออาจารย์บางคนชอบสิงใดก็สอนสิ่งนั้นแหะบางทีก็ทำมากที่ยังไม่ได้ถึงถึงขั้นเป็นพารียบุคคลยังมีความหลงความเห็นผิดอยู่แต่ดูกริยาเรียบร้อยพูดจาดีไพเลาะ ดูเป็นคนเป็นคนดีน่าเลื่อมใสเนี่ยแล้วเราพี่จะให้ดีๆคำสอนท่านเนี่ยถูกต้องหรือไม่แต่ในการวริสูตรก็มีคําสอนชุดสุดท้ายที่อนามาชอบก็คือเมื่อใดถ้ารู้ด้วยตนเองว่าเมื่อใดถ้ารู้ด้วยตนเองว่าทําเหล่านี้เป็นอกุศลทําเหล่านี้มีโทษทําเหล่านี้ผูุรติเตรียมใครสถาทายให้เต็มที่แล้วย่อมเป็นไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกอันเนี้ย ถ้าเรารู้ด้วยตนเองนะรู้ด้วยตนเองก็คือรู้ว่าเนี่ยจิตที่คิดเนี่ยเป็นอกุศลมีโทษบิดเป็นตนเองบิดเป็นคนอื่นผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตเนี่ยติเตียนแล้วเราทำสิ่งนี้เต็มที่แล้วก็ต้องได้ลัความทุกนแน่นอนอันนี้เราคนละเสียเมื่อใดถ้ารู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษ ทำเหล่านี้ผู้รู้สารเสวนให้สบาทานหรือทำให้เต็มที่แล้วย่อมเป็นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขอันเนี้ยเราควรเข้าถึงทำเหล่านี้และควรประพฤติปฏิบัติทำคือถ้าเราเห็นความคิดที่เป็นกุศลคือถ้าเรารู้รู้ว่าความคิดเนี่ยเป็นกุศลเป็นประโยชน์แล้วผู้รู้สารเสริญทำให้เต็มที่แล้วเกิดประโยชน์กับตนเองเกิดประโยชน์คนอื่น เป็นไปเพื่อความสูขอันเนี้ยเราทาให้เต็มที่เลยกลารามมาสูตรเนี่ยถ้าเราเห็นความคิดเมดื่อใดเราจะหายสงสัยคือความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะเอาถูกเอาผิด ม, มีตัวนแฝงอยู่แต่เห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ดับไปพอดับไปมันก็ไม่มีอยู่จริงคัามคิดปรุงแต่งน่ะพอไม่มีอยู่จริงเราก็เข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อไม่หลงเชื่อคัามคิดมาหลอกคือการหลอกเนะี่ยมีทั้งบุคคลภายนอกหลอก สิ่ว่าล้อมหลอกแล้วก็ความคิดหลอกแต่ความคิดหลอกน่ากลัวกว่าความคิดหลอกเนี่ยบางคนเชื่อมันมากเนี่ยจนต้องติดคุกติดตารางไปฆ่าคนตายไปยึดบ้านถือม่า น, นถือห่วงบิดเบี้ยนซึกกันและกันคนเชื่อความคิดส่วนมากอยู่ในคุกในตารางนะหรือแม่ก็ถูกฆ่าตายไปคุยกับลากหมาห่วงก็เยอะเสียผู้เสียคนเสียอนาคตก็เยอะเพราะหลงเชื่อความคิดของตัวเองนี่แหละเมื่อเราได้เห็น พอได้เห็นมาโบ่อยๆเนี่ยความคิดก็ลดกําลังลงเราก็เป็นอิสระมากขึ้นไม่ตกอยู่ใต้การครอบครับของความคิดทําให้ใจเราเนี่ยเป็นสมรริทธิกลามาสูตรจึงมีแง่คิดคําสอนที่ดีถ้าเราทําตามทาว่าเราเกิดปัญญาอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจอิญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง